มีเสียงไหมฮะ <laughs> อ่า<ะ>อ่า <c oughs> ก็เหมือนเดิมรลองตาก็มันค่อยจะมีเสียงมันใบ ไ, ไม่กลับแล้วหู <c oughs>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 เราไว้ต้องจำนุนเสมอไปเราทำได้การเปลี่ยนหลงเป็นลูกไม่หนักหนาสาหอ์อันตรายแต่ก็ไปไกลนะถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้ก็ไปทางต่าถ้าหลงเป็นหลงไปแล้วไปอีกแล้วหลงอีกก็ไปหลงอีกก็ไปกันแล้ว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 หายใจเข้าหายใจออกมันก็พอดีกับระยะเวลาลู่ลู่ว่าจํามากลู่มันทับล่าอย่างนี้หรูปแบบกรรมฐานเช่นสติปัฏฐานในสูตรคู้ฉขนเข้าลู่เหยียดแขนออกลู่กู้ฉขนเข้าลู่เหยียดแขนออกลู่มันก็พอดีมันก็เขียบไม่ไดทีมันกระโดดเตะ ก็กไปก็ไปไกลวินาทีหนึ่งก็ไปแล้วห้าวินาทีถ้าลู่ห้าครั้งก็ไปห้าวินาทีถ้าลู่จนหลายวินาทีก็เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้แล้วเปลี่ยนหลงเป็นลู่ก็มากลู่ได้เช่นกัน ถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไปอีกทางหนึ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนมนุษย์ถ้าหลงเป็นหลงเป็นคนโปลนเปไม่เป็นชี้นเป็นอันโปลมาเปหมดหรือว่าคนเอามาโผลกันสุขก็ทุกทุกสุปสุขทุกหลงรู้อะไรต่างๆพอใจไม่พอใจโผล่เงินไปนั่นหรือเวก่าคน ไม่รั่วอะไรคือเราอาศัยมันได้นี้ใจก็พึ่งไว้ได้ไม่มั่นใจแล้วแต่มันจะให้เกิดทุกข์ก็ทุกข์ไปกับใจเรามันคิดก็หมายก็ทุกข์ไปกวบความคิดได้ได้เหมือนหลงอะไรก็เอาไปทุกข์ได้ตาเห็นรูปก็พอใจไม่พอใจไปอย่างนั้น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 ก็ไม่จําเป็นเลยต้องไปจำอะไรเขาเรียกว่าเราพยายามที่จะพูดบอกอยู่ถ้าพูดเขาก็ไม่เข้าใจก็พยายามที่จะบอกอจนตายนั่นแหละว่าความหลงไม่จริงควมไม่หลงมันจริงจะขอพูดเรื่องนี้ควมทุกข์มันไม่จริงคมไม่ทุกข์มันจริงจะพูดเรื่องนี้ไปจนตาย ก็อยู่ที่ไหนก็จะบอกอย่างนี้นจะพูดอย่างนี้แนวไข ใ, ใก็หลงเป็นในชาติในโลกนี้น้ก็โกรธเป็นทุกแ์ป็นหมืนกันหมดอ่านก็ไม่หลงกมไม่โกรธก็ไ ม, ไมทุกข์ก็เหมือนกันหมดทําได้ทุกคนหวานกันโดยจึงเป็นงานของเราที่จะต้องทําวันนี้วันจะชุ่มค่ากับข้าวสุกน้ำแจ้งของญาติของโยม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 แต่ว่าเขาศึกษาเขาได้ยินเราฟังเราพูดเขาไปฟังเขาไปทำดูอ่จะได้ผลอะไรบ้างเราลองคุยเราฟังแล้วก็ไม่รู้ไม่ขี้กับเขาเขาลู่เขาเองไม่ใช่เราเอาให้เขาได้ความหลงความไม่หลงเขาทำาเอง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 นี่ใจใจฝังเรื่องอะไรเหมือ น, นกับเราส่องเงาในกระจกที่เขาเป็นสัดทอนให้เราได้รู้ตัวเองก็มีประโยชน์ไม่ใช่โกลัวใช้เคืองเขาเวลาเขาเลียนทาเราแล้วก็มีหลักแบบเนี้มันมีความถูกต้องโยนไปกลัวอะไรในโลกเนี้ยมันทับได้มีความชื่ออย่างแน่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 เธอยังจับดาบไปฟันเราอยู่เราไม่ทำแล้วเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดต่างหาโกโอ้ที่มาร์กส์ใจชะติกันหน่อยหยุดทันทีเลยหากดิบเลยเลยหยุดทันทีก็ทิ้งดาออกแตกเบอร์เลยสลัดเลยเปี่ยนก็หลังหลงคิดอยู่นี่เราทำาให้ดปหยุดทันทีอันหยุ ด, ยดคิดนี่มันไม่ยากนะ ไม่ต้องอาศัยเครื่องทุนแรงอะไรเพต่อยุดเปลีป่ยนเป็นไม่คิดไม่หลงเพราะ้านเองก็กลับเป็นพระได้ทันทีแพลดเดียวล้นนี่วมือเดียวเฉอ ใ, ใจร้องให้แต่ตกกรรมติดตามอยู่อยู่ที่ไหนก็คิดถึงการฆ่าเศร้าออใจเหมือนกับเขาทิ้งก้อน กวดิ้งก้อนใส่กับหัวแตกอยู่เลยไหลเรื่อยลองให้เสมอเชียใจจนผู้ย้าไปโปรดเน่าโปรดดีองค์พิมานยังเห็นภาพทีท่ถองทำไม่ดีเสียใจอยู่เป็นหลายหลายวันแต่เมื่เราคิดถึงพระติ้าคนเดียวก็เศร้าใจก็เลียนได้กำลังใจขึ้นมา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 มีเท่านี้จริงๆนะไม่อ้อนวอนนะสาธุเดอ้อต้องเปลี่ยนอย่างนี้เอาทำลงไปจริงๆนะให้สมหลวงตาคิดถึงพวกเรานะมาเห็นแต่ลอยไม่ว่าจะเห็นกโกรธไม่เห็น้างหลังเเห็นเต้นก็ไม่เห็นนะฮนะก็เท่านี้แหละวันนี้นะสองครัเจอลา พระพ่องกัน